พระธรรมเทศนาแผ่นที่67ดลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่สพฤศจิกายน2557มีชื่อเรื่องว่าสุขที่แท้จริงไม่มีในโลกนี้ วันนี้เป็นวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2557วันก่อนหลวงพ่อได้ลงกรุงเทพไปทอดกะถินที่วัดอำเภอแถวบางพลีสมุตปลาการวัดของอท่านเล็กวัดนี้เป็นวัดที่ คุณโยมเขาจะถวายที่ดินหลวงพ่อก็ลงไปรับแล้วก็มอบให้ท่านเล็กเป็นผู้ดำเนินการที่ดินหกร่แต่ที่ดินแถวนั้นก็แพงอยู่นะไรหนึ่งก็ประมาณสี่ล้านที่ได้ยินทราบว่าแต่ที่เขาวันที่ลงไป้ถมดินมันเป็นลักษณะเป็นบ่อ ที่เขาออกุดบอ่อดินไปไปไปก่อนอะไรถมกบบ่อดินโอ้ใช้เงินมากพอสมควรเมื่อวานวันนี้เป็นวันอังคารได้จุดตปัจจัยสามล้านกว่าบาทก็ได้มากพอสมควรอยู่ก่อสร้างวัดใหม่คงจะได้ใช้ทุนและททับมากแต่เมื่อวานก็มาฉันที่บริษัทของคุณวสิน พวกกลุ่มโฆษณาพวกณาประชาทัมพันธ์กลุ่มใหญ่นะเมื่อวานพอฉันจังหันเสร็จแล้วก็มาขึ้นเครื่องกลับมาถึงวัดประมาณ บ, บ่ายสองบ่ายสามโมงวานนี้หลวงพ่อลงไปกรุงเทพเขาเนี่ยไปนอนไปพักอยู่สองคืนกรุงเทพคืนแรกก็ไปพักที่งานของเขาวัดใหม่ คืนที่สองก็มาพักที่สวนแสงธรรมแล้วก็พอเสร็จแล้วก็มาฉันที่บริษัทรรแล้วก็มาขึ้นเครื่องไม่ได้ฉันที่สวนแสงธรรมวันนี้ก็จะมีการประชุมวันะติวัดของเราเกี่ยวกับมูลนิธิวิ ร, ย ร, ริยะนศีลวัน เป็นคุณพ่อของท่านดรทั้ทงองคมนตรีของพวกเราท่านได้วางทุนทรัพย์เพื่อบำรุงธนูบำรุงพระพุทธศาสนาจุดประสงค์ของท่านผู้ถวายก็คืออยากจะบำรุงพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลัก จากนั้นก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเน้นหนักเรื่องหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวหลวงตามหาบัวหลวงปู่ชาที่ท่านเน้นหนักอยากให้เอาทำคำสอนออกเผยแผ่ต่อพี่น้องประชาชนส่วนด้านวัตถุนั้นท่านก็อันไหนเห็นสมควร เหมาะสมท่านก็มอบให้คณะกรรมการพิจารณาการตามความเหมาะสมแต่ก็มาเพื่อให้ใช้ให้เกิดประโยชน์ในพระพุทธศาสนาอันนี้คือจุดประสงค์จุดประสงค์ของท่านหลวงพ่อก็เห็นด้วยเห็นด้วยที่ท่านมีความประสงค์ที่จะดำเนิน ถ้าพวกเราไม่ช่วยกันพยุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาจะอยู่ยาวนานได้ได้อย่างไรเพราะนั้นต้องช่วยกันคิดถ้าเราพิจารณาด้วยเหตุและผลกันกรองไตรตรองด้วยปัญญานะกันกรองไตรตรองด้วยปัญญาเท่าที่มีของเราเราก็ยอมรับว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่มีเหตุมีผล ที่จะทำให้จิตใจของมนุษย์จิตใจของคนสูงส่งขึ้นเป็นคนที่สมบูรณ์แบบได้ต้องมีศีลธรรมที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้วางเอาไว้เมื่อเราพิจารณาด้วยเพียงเรื่องทานอย่างเดียวเป็นการเสียสละแต่บางที่บางแห่งบางหนเขาจะไม่ให ยอมเสียสละครับให้กับใครพุทธศาสนาบอกต้องเสียสละการอยู่ด้วยกันต้องมีน้ําใจต่อกันไม่ว่าตระกูลของเราหรือวัฒนศาสานาของเราอย่างเดียวเราก็พร้อมที่จะให้กระทั่งสัตว์สาลาสิงช้างมา้าวัวควายมูม้มาเป็ดไก่พกปลาพกสัตว์อยู่ในน้ําการทพ่อที่จะสงเคราะห์ให้อาหารเขากินเอาช่วยสงเคราะห์ไป คือสัพสัตวทั้งหลายเขามีวิบากกรรมของเขาแต่และชีวิตถ้าเราพอที่จะช่วยส่งเสริมเขาได้ให้เขาได้แต่ไม่ต้องหนักไม่ให้หนักเราเพอที่จะให้เขาได้เราก็เออเอาเฉลือเผือแพ่มีน้ำใจต่อสรพสัตทั้งหลายในเมื่อมนุษย์ก็เออส่งเสริมให้มนุษย์ถ้ามนุษย์ อยู่ด้วยการมีน้ำใจมีเมตตาต่อกันโลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นสุขเพราะการสงเคราะห์อนุเคราะห์อันนี้ก็คือในหลักธรรมคำสอนแต่พ่วงเรื่องศีลแต่เรื่องศีลก็ยังย้ำเขาอีกอยู่ในกฎระเบียบอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันให้อยู่โดยศีลธรรมอันนี้ก็คือ เรื่องสินเรื่องสมาธิย่นเข้าไปอีกข้างในอีกท่านีแนวความคิดคิดยังไงจึงจะถูกต้องคิดยังไงจึงจะเป็นธรรมคิดยังไงจึงจะไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นคิดยังไงจึงจะรู้แจ้งเห็นจริงจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏะสงสารอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนถึงที่สุดที่สุดก็คือใค่ว่าให้ไปอีกมิติหนึ่ง อยู่ในโลกเนี่ยมันมีแต่เรื่องทุกเรื่องเกิดแก่เจ็บตายถ้าว่าพวกเร า, เาได้ดูหรือว่าได้ชมที่เข า, เาแผ่นซีดีเกี่ยวกับสัตว์โลกสัตว์โลกเปลี่ยนไหวตายเกิดสัตว์โลกพวกช้างเนี่ยดปลาสีสิสงโตอะไรก็ตามนะพวกเราเห็นแล้วโอ้มันเบียดเบียน ฆ่ากันจริงๆ อ, อถ้าหาว่าเราไปเป็นสัตว์อย่างนั้นแหลจะจะหาความสุขได้ยังไงแต่ละสัตว์ตัวไหนมีอํานาจกว่าก็ต้องลังแกหรือฆ่าสัตว์ฆ่าตัวอื่นกินเป็นอาหารอันนั้นมันเห็นชัดๆกับหูกับตาของเราเห็นแล้วโอ้หน้าโลกนะีแต่มองแต่มองเราโดยมากพวกเราจะไม่มองเราเนะี่ยพวกเรามองแต่สรรพสัตว์เออ ราสีในสิงโตกัดวัวบ้างกัดเก้งกัดกวางบ้างกัดช้างบ้างาแล้วกส็สู้กันบ้างลักษณะอย่างงั้นนะแต่เราเราเห็นแต่ภายนอกแต่ทีนี้พอมามองภายในของเราทีนี้พอเรามองเห็นอย่างนั้นแล้วเนะี่ยเราย้อนมาดูมนุษย์ของเราการอยู่อยู่ด้วยกันของพวกเราไม่ใช่ย่อยอีกเหมือนกันออ ชีวิตการคองชีพของพวกเราเนี่ยพิจารณาดูสิมันเหมือนอย่างนั้นไหมแต่ในเรามองเท่านั้นเหมือนกับเขาทาลุนแต่พอมามองย้อนมหาเราเราก็ไม่แพ้พวกเขาเหล่านั้นเหมือนกันโอ้โล ก, ก น, นั้นเป็นโลกที่ฆ่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันมาเพื่อเป็นอาหารจริงๆโลกกันแน่นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงมอง มองภาพรวมมองทุกาการเป็นอยู่ของมนุษยชาติของสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกท่านมองโดยแล้วหาความสุขไม่ได้ในโลกเนะี่ยมีแต่เรื่องมีแต่เวรมีแต่ภัยมีแต่เรื่องเบียดเบียนซึ่งกันและกันหาความสงบสุขไม่ได้มีแต่คนชุมชนกลุ่มเดียวกันถึงจะรักกันเหมือนกับสิงโตนะ เออมันก็รักในพว ก, พ, วกพ้องของมันช้างมันก็รักพวกพ้องของมัน เ, ออเก้งกวางก็รักในพวกพ้องของมันแต่จุงกลุ่มอื่นเข้าไปล่ะนั่นอะ่ะนี่นี้ก็เหมือนกันอ่ะเราพวกเราท่านทั้งหลายโลกนี้มันลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นถ้าคิดภาพภาพรวมทั้งหมดเราจะมองเห็นว่าโลกนี้เป็นเต็มไปด้วยเวรและภัย เวรไภการจองร่างจองผานการเบียดเบียนซึ่งกันและกันการฆ่ากันการสังหารกันการฆ่าคนอื่นมาเป็นอาหารของตอนเองนี่อันนี้แหละมันน่าคิดเลยถ้ามองมองดูถ้าเรานึกย้อนถึงพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าท่านมองภาพรวมบอกว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่โลกนี้เต็มไปด้วยเวรไภเป็นเต็มไปด้วย การเบียดเบียนซึ่งกันละกันจะทำยังไงเราจรึงจะหาทางพ้นทุกจะไม่เมาเวียนไห้ตายเกิดในวัฏสงสารเป็นอนันตการได้มีช่องทางพระพุทธเจ้าท่านประกาศว่ามีช่องทางที่เราได้ไปค้นพบที่โคลนต้นโพพุทธกายาพระพุทธเจ้าค้นพบเมื่อ2อ0พ ร้อยห้าสิบเจ็ดปีให้หลังท่านไปค้นพบเรื่องหนทางที่จะไม่มาเวียนไหวตายเกิดทำอย่างไรเนี่ยท่านก็เนียสอนเรื่องสมาธิเป็นเบื้องตน้นจากนั้นก็สอนปัญญาสอนปัญญาคือแนวความคิดที่จะชำระใจที่มันมีกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงอยู่ในใจ ถ้าช็อปะเชื้อในใจออกจากจิตใจแล้วจิตใจบริสุทธิ์แล้วจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกจะไปอีกมิติหนะนึ่งนีว่านิพพานนิพพานางประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง น, ะนี่แหละพระพุทธเจ้าได้ไปค้นคว้าศึกษาท่านประกาศท่านบอกว่าชาตินี้เป็นชาติชุดท้ายของเราของเราแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้ว ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเราเราจะไม่มาเหยียบโลกนี้อีกแล้วไม่มาเกิดในโลกนี้อีกแล้วนะจากนั้นเมื่อ พ, พระพุทธเจ้าจะพระนิพพานในโค้งสุดท้ายนะพระองค์ยังไปยืนอยู่ที่เนินหรือว่าเนินเจดีย์ของเมืองเวสาลีนะี่ทอดพระเนตรบอกว่าเมืองเวสาลีเนะี่ยเราจะได้เราจะไม่มาเกิดอีกแล้ว ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราจะมองเมืองเมืองสะเวงสเวสาลีเนี่ยเป็นครั้งสุดท้า ย, น, ยนี่แหละอันนี้ก็คือที่พระพุทธองค์ที่ท่านประกาศและบอกอย่างนั้นก็เพื่ออยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายเดินตามแนวแถวของพุทธะที่พระพุทธเจ้าพาเดินท่านพาเดินอย่างไรมันมีแต่เรื่องเวรภัยจริงๆจริงไหม ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนะแต่หลวงพ่อนํามาพิจารณาเนานะมันจริงนะเอโลกนี่เป็นเต็มไปด้วยเวียนไพอ์ไม่เวียนไพร์ได้ยังไงดูซิอาหารการบริโภคของพวกเราเนะี่ยได้มาจากไหนยังไงไม่อยากจะพูดพอพูดไปแล้วมันกระเทือนเอมันจะเถื่อนทั้งโลกเลยนะมันจะเถื่อนทั้งโลกแต่ไม่พูดก็ไม่ได้ ถ้าบัณฑิตนักปราชญ์คือทําคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือท่านให้มองให้มองโลกให้มองสิ่งรอบด้านรอบข้างของพวกเราที่เราเป็นอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรล้รวนแล้วแต่เป็นแนวแถวที่พระธรำคําสอนที่พระพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้ถ้าเรามาพิจารณาแล้วถ้าจะวิ ว, ว่าคิดเป็นสลดหดหูไหมมันก็เข้าในลักษณะอย่างนั้น แต่ไม่รู้จะทำยังไง เ, เ, ห เ, เ, เหมือนกับเราที่ท่านเปรียบเทียบในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าเหมือนกับเราเดินเรือไปในกลางมหาสมุทรพอไปถึงกลางมหาสมุทรแพแตกพอแพแตกแล้วคนตายลอยขึ้นมาถึงเราจะกลัวขนาดไหนถึงเราจะเป็นขนาดไหนเราก็ต้องเกาะ ซากศพนั้นเพื่อพยุงตัวเองเพื่อให้ถึงเข้ามาถึงฝั่งท่านพูดอย่างนั้นอันนี้ก็เราจะเปรียบเทียบก็บเหมือนกับว่าเราเป็นอยู่ทุกวันนี้เราอย่าไปติดในโลกว่ามีความสุขเพียงแต่เราพรยุงตัวของเราให้ประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลบําเพ็ญทานศีลภาวนาปฏิบัติ จะทำยังไงรจรึงจะพ้นทุกได้เราอยู่ในสภาพอย่างนี้ก็จริงแต่ว่าในใจของเราเนี่ยเราจะไม่ให้ติดอยู่ในวัฏสงสารถ้าติดไปเกิดพบหน้าชาติหน้าก็อย่างเก่าอย่างนีนะ้ไม่แพ้ชาินี้ใครคือความหาความสุขที่แท้จริงมองดูสิมันมหาหาไม่เจอผลที่สุดก็นะโค้งสุดท้ายเมื่อชีวิตจะขาดออกจากร่างเออมันมีแต่ความทุกข์ทางนั้น ไม่ว่าระดับไหนเพราะนั้นเรานี่อยู่ในระดับไหนจะไม่ทุกข์อย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่แพ้กันเหมือนกันเพราะนั้นถ้ า, ถาฟังตามทาคำสอนที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนแล้วนะ่ท่านบอกว่าอย่านอนใจอยู่ในโลกวัตฏสงสารยังไงจะพ้นทุกข์โดยเร็วรวดด่วนให้เดินตามแนวแถวนั้น เดินยังไงนี่แหละอันนี้ก็คือได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้แนะนำสั่งสอนพวกเรามากต่อมากแต่พวกเราเพียงแต่ว่าถ้าว่าเป็นบัวแลวเป็นควายกับดังจมูกแข็งไปสักหน่อยจูงเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเดินตามหลังฮะ เ, เรียกว่าควายบัวควายจมูกสภพยมันแข็ ง, งจ้าของเนี่ย จะจูงจะลากไปยังไงก็นั่นนะจนอิดจนอ่อนจนเหนื่อยนี่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็เช่นเดียวกันที่ท่านแนะนําสั่งสอนอันนั้นดีนะอันนั้นชั่วนะอันนี้ไม่ควานะนั้นควานะเออในพวกเรามันจมูกจมูกมันแข็งนะจูงลากเท่าไหร่ก็ไม่ยอมไปอมีแต่ดันทุลังไปหาสิ่งที่ตัวเองที่ตัวเองชอบนตัวเองชอบนะรวยมากมันมี มันมกวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารมีแต่เรื่องทุกข์เท่านั้นเป็นอนันตาการแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านมองเห็นแล้วท่านบอกว่าอันนั้นไม่ไม่ใช่นะมันไม่ใช่หนทางนะเป็นหนทางทุกข์นะให้เดินมาทางนี้เนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปวาจากรมมันตอายชีโววายโมสติสมาธิเนี่ยหนทางมรรคตัวนี้นะ่ะ เป็นหนทางที่ไปสู่มรรคผลนิพพานนั่นให้พวกเราท่านทั้งหลายนะได้ฟังได้ยินได้ศึกษาจากแนวแถวปฏิปทาของครูบาอาจารย์แล้วก็พยายามใส่ใจแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามถึงจะก้าวเดินไปทีละน้อยละน้อยก็ดีกว่าไม่คิดอะไรเลยถ้าไม่คิดอะไรเลยเนะี่ยดูถูกดูสุขว่า เ, เมื่อข่าวโค้งสุดท้ายเข้ามานั่นแ่ะนั่นะเราจะจาจะกระเสือกกระสนแล้วทีนีเ้เราจะหาความอะไรที่จะมาเป็นเครื่องรองรับในใจในโค้งสุดท้ายนั้นมันเป็นโค้งที่ทุกที่สุดท า, าไมมีอะไรเป็นที่เกาะที่พึ่งผลที่สุดก็ตายไปพอตายไปแล้วก็ เ, มามาเกิดขึ้นมาใหม่อีก หล้มลุ่มหลงอีกอย่างเก่าอีกเพราะมนุษย์ของเราเนี่ยเกิดมาแล้วก็นในติดในพบในชาติในการอยู่การกินการหลับการนอนการอะไรทุกอย่างที่กิเลสมันพาพาให้ติดนะี่ยพอติดจะได้นะโค้งสุดท้ายอีกเบือ่อเบือเบ่อเบืมันก็ไม่เบื่อจริงเพราะเราไม่ได้พิจารณากันกลองไตรตรองตามหลักธรรมคําคสอนถ้าพอเราได้พิจารณา ด้วยสมาธิธ ร, รมด้วยปัญญาธรทำด้วยขันติวิริยะธรรมตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าแล้วนะ่ยพวกเราจะไปได้นะแต่พวกเราอยู่อย่างนี้มันก็อย่างว่านะวกวนเวียนอยู่ในวัตฏสงสา ร, รเห็นสรรพสัตว์ทางหลายเบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็อน่าอ่อนใจเหมือนกันนะให้พวกเราคิดคดูใช่ทั้งมองไกลและให้มองใกล้มองรอบด้าน มองสรรพสัตว์โลกท้องสัตว์โลกนะพอเห็นแล้วก็ใช่แต่พอมามองมองเราโอ้ใจสรรพสัตว์มันเบียดเบียนกันจริงๆนี่แหละหลวงพ่อเองเมือ่อายุสิบหกสิบเจ็ดปีกำลังวัยคึกวัยคึกขนองอมองโลกเป็นสวรรค์สั้นฟ้าไปหมดมองเลยเ สดชื่นแจ่มใสยอย่างนั้นนะมองโลกในในทางบวกอในช่วงนั้นนะเป็นสมณเณรอยู่ในป่านยขนาดอยู่ในป่านะอก็ยังโอ้มองโลกไปในทางสดใสพอนเดินปินป้นบินธบาท เ, าเห็นคู่เห็นคนเห็นหมู่เห็นเพื่อนเก่าแก่เห็นเด็กหนุ่มหญิงสาวารุ่นลาวเขาวเดียวกันะอรู้สึกว่าเขาชดชื่นแจ่มใส ใจเราเรามาอยู่ในปา่าในโรงเน่ยเราอยู่แบบเงียบๆปอนๆออมันไม่ฮมันไม่มีสีไม่สีเวลเลยมันทุกอย่างนี่นะมันคิดในช่วงนั้นนะจากนั้นมาเกินมันจะกระโดดออกไปสู่วัฏสงสารนั่แหละถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ที่ดีแนะนำสั่งสอนออพ่อแม่หลังหลังเอาไว้นะมันคงจะกระโดด ออกตากขาวนุ้นน่ะคงจะไม่ได้มาเป็นหลวงปู่หลวงตาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นนะแต่ในช่วงนั้นเป็นคําที่สะดุดใจก็คือหลวงปู่ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งหลวงตาทั้งหลวงปู่ท่านบอกเออถ้าออกไปในขณะนี้เราก็ยังไม่มีหน้าที่การงานอะไรออกไปก็นะั้น่ะไปหากบหาเกียรติหาปูหาปลาแล้วก็ฆ่าแล้วก็มาทําอาหารเลี้ยงกัน ดูดูแล้วถ้าเราอยู่อย่างนี้จะไม่ดีกว่าหรือเราไม่ได้เบียดเบียนเราก็ไม่ได้ขอใครมีอะไรก็กินไปตามประษีภาษามีข้าวก็กินข้าวพีว่พริกมีเกลือก็กินไปตามประษีภาษาถ้านเราไปออกอย่างนั้นท่าเราไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนมันจะเป็นอาหารได้ยังไงถ้าเราไม่ทำก็ไม่ได้เพราะอยู่ในครอบในครัวก็ต้องหามาเลี้ยงซึ่งกันและกัน เรามาพิจรารณาดูย้อนย้อนหลังดูที่ตัวเองเป็นเด็กก่อนบวชนะขนาดเพียงอายุเก้าปีสิบปีขนาดนั้นก็ยังได้ดูดูและยังได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพอสมควรพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยอล้วนแล้วจะเป็นการฆ่าเบียดเปลี่ยนสัตว์ระสัตทั้งหลายพอนึกถึงตอนนั้นอยุเห็นตอนนั้นล่ะสัตว์ประสัตทั้งหลายเขาก็ มีความกลัวตายเหมือนกันแต่เราไปทำอย่างนั้นไม่น่าจะถูกนะเราเน่ะนะนะนะเป็นความคิดหนึ่งในช่วงนั้นที่มันแวบขึ้นมาจากใจอย่างแรงนะจากนั้นก็ตัดสินใจตัดสิงใจในใจเขู่ต่อไปอจนกว่าจะได้เป็นพระซะก่อนมีอะไรยังค่อยว่ากันอีกในโค้งนั้น นี่แหละอันนี้ก็คือการตัดสินใจเสี่ยวพินาทีพูดง่ายๆในช่วงนั้นนะเพาถ้าว่าตัดสินใจดันทุลางก็คงคงจะหายขาดไปเลยนะคงไม่ได้เป็นหลวงปู่หลวงตามาถึงป่านนี้นะแต่โคง้คงๆนะ่ะเป็นโค้งเสี่ยวพินาทีจริงๆที่ตัดสินใจนะออจากนั้นมาก็พอตั้งหลักได้พอเป็นพระแล้วก็เออพระ ได้ภาวนาจนจิตใจได้รับความสงบเยือกเย็นจากนั้นก็เนเอาความสมาธิสินสมาธิปัญญาเข้ามาประคับประคองจิตใจใจก็อยู่ได้สบายสบายสบายสบา ย, บายมาเรื่อยๆพิจารณาเห็นโลกเห็นธรรมเห็นเห็นโลกวัตฏะรงสารมันสุขสุขอะไรสุขด้วยอะไร สุขที่แท้จริงนั้นของมนุษย์ก็คืออะไรสุขที่ท้าวอนนั้นคืออะไรสุขที่มนุษย์ต้องการสูงสุดนั่นคืออะไรเออพิจรารณาดูๆแล้วเข้าใจนั่นละนะเข้าใจมาเรื่อยๆนะนะนะบอกให้พาลูกพาหลานจิาญาณโยมได้ฟังนะเอาตอนนี้ไปรับพรประสูอนโมตนาให้พร